ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกัน 3. ไม่ต้องอาบัตที่เลวทามกว่านั้น 4. ไม่ตาหนิกรรม ห้าไม่ตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สามภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8 คือ 1. ไม่งดอุโบสถแก่ปกตัตะภิกษุ 2. ไม่งดประวรณาแก่ปกตัตะภิกษุ 3. ไม่ทำการไต่สวน 4. ไม่เริ่มมนุวาธาธิก่อน 5. ไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. ไม่โจทย์ภิษุอื่น 7. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การแปดไม่ชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหละปฏิปัตสัมเพตพะอัถรสกะในปฏิสารณียกรรม จบ